Thank mm -hmm. you. จิงจกเนี่ยกระตุกแกเนี่ยเป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยเห็นอยู่เป็นประจำะเราคงทราบดี ว, ว่าเนี่ยอริวาที่สําคัญอย่างหนึ่งนะของจิงจกกระตุกแกเนี่ยก็คือหางนะหางนี่มันเป็นสิ่งที่ช่วยในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่แล้วก็ยังทําให้ดูดีในสายตาของอเพศตรงข้ามด้วย คือเป็นประโยชน์นะในเรื่องการสืบพันธุ์ต้องใชไปที่เก็บสะสมไขมันในยามขาดแคลนแต่ว่าถ้ามีเหตุจวนตัวเนี่ยเช่นมีศัตรูมามาจับหางมันจะ สัดมันจะปล่อยหางทันทีเลยเพื่อมันจะได้อยู่รอดปลอดภัยบางทีสัตว์นี่ยังไม่ทันจะขยุมหางมาเลยนะแค่มีสิ่งแปลกปลอมอไปแตะถูกหางมันมันก็พร้อมที่จะปล่อยหางทันที ทิ้งหางไปเลยเพื่อจะได้เบี่ยงเบนความสนใจนะของสิ่งที่มันคิดว่าเป็นศัตรูลอให้ไปสนใจหางมันจะได้เนียวตัวรอดได้พฤติกรรมอย่างนี้นี่จะว่าไปมันก็ให้ง่คิดนะแกเราก็คือ าการรู้จักปล่อยรู้จักสลัดนะสิ่งสำคัญในยามทีนะ่เจอทุกเจอภัยนะเพื่อที่จะได้รอดจากภัยรอดจากทุกนั้นคนเรานี่ถ้าเอาจริงจงหรือตุ๊กแกเป็นครูในแง่นี้บางนี้มันก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะ เพราะบ่อางคนเราเนี่ยพอภัยหรือทุกมาถึงตัวเนี่ยแทนที่จะปล่อยแทนที่จะสลัดนะบางสิ่งบางอย่างนะเรากลับหวงเรากลับแหงเอาไว้และสิ่งนั้นเนี่ยบ่อยครังมันก็ไม่ใช่เป็นอวัยวะหรือสิ่งสำคัญของชีวิต เป็นสิ่งนอกตัวด้วยซ้ำนะแต่เพราะความหวงความแหนเนี่ยในสิ่งนั้นเนี่ยเช่นทรัพย์สินเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภัยถึงตัวจนเอาชีวิตไม่รอดอย่างบางคนในเวลาถูกปล้นถูกจี้เนี่ยโจนเขาก็มุ่งหมายจะเอาทรัพย์เป็นเงินบ้างนาฬิกาบ้างสร้อยทองบ้าง แต่บางคนนี่ก็หวงแหนนะกลัวจะสูญเสียไปพยายามยึดเอาไว้ก็เลยต่อสู้ขัดขืนสุดท้ายก็ตกโจรทำร้ายบางทีถึงตายเลยที่ในยามนีจะปลอดภัยเนี่ย ก็่ต้องสละหรือปล่อยนะทรัพย์สินเหล่านั้นจะเาก็เอาไปเพื่ออะไรนะเพื่อว่าตัวเองเนี่ยจะได้อยู่รอดนะรักษาชีวิตให้รอดได้แต่คนจนน้อน้อยนี่ก็หวงแหนเอาไว้จกนกระทั่งเอาชีวิตไม่รอดบ่อยครั้งเนี่ยภัยเนี่ยมันก็ อาจจะไม่ใช่ภัยที่ทำร้ายถึงชีวิตนะแต่ว่ามันสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจมากซึ่งถ้าว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสละลงไปบ้างก็อาจจะรอดได้หรืออาจจะพ้นจากทุกข์นั้นที่จริงไอ้ที่ทุกข์ใจเนี่ยมันก็เพราะการยึดนะ ในสิ่งเหล่านั้นอย่างบางคนนะถูกโกงเงินพอได้พอไม่มีทางได้เงินคืนเนี่ยโอกลุ่มอกกุ่มใจมากอยากก่างครูคนหนึ่งโดนโกงไปแสนหนึ่งเพื่อนยืมไปแล้วไม่คืนทั้งเสียใจทั้งขับแค้น รู้หมกคุ้มใจระทั่งไม่ยอมกินไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนทั้งๆที่แม่ก็บอกว่ากินบ้างหลับนอนหลับพักผ่อนบ้างนะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเหมือนกับว่าอยากจะทำร้ายตัวเองอย่างนี้เรียกว่า รักเงินนะมากกว่ารักตัวเองทัง้งที่รู้ว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยมันมีอะไรทำให้ร่างกายย่ำแย่แต่ในเวลานั้นเขาคงจะคิดว่าเนี่ยฉันตายก็ดีหรือว่าตายดีกว่านะเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำใจได้ กับเงินที่เสียไปอันนี้ก็เรียกว่ายัางยึดอยู่นะแม้ว่าเงินเนี่ยมันจะไปแล้วแต่ว่ายัางยึดเอาไว้ถ้าปล่อยถ้าวางก็จะไม่ทุกข์ขนาดนั้นบางคนเนี่ยทรัพย์สินมีค่าเช่นเพชรทองเกิดหายขึ้นมาอนจจเป็นเพราะเป็น สมบัติจากบรรพบบุรุษกุ้มใจเสียใจมากนะจนป่วยหนักเลยอันนี้ก็ว่าเรียกว่าป่วยในพอยึดนะเพียงถ้ารู้จักปล่อยใจก็จะสบาย และร่างกายนี้ก็จะหายป่วยะแต่คนจำนวไม่น้อยนี่ก็ยังไม่ยอมปล่อยนะยังยึดเอาไว้ยึดไว้ที่ใจทั้งที่ของที่มันสูญไปแล้วเราก็พบนะว่าผู้คนเนี่ยถูกพรอยยึดเนี่ยแบบนี้นี่มากมายทีเดียวยเช่น พอหุ้นตกเนี่ยทรัพย์สินนี่ก็สูญหายไปบางทีหุ้นแทบจะไม่มีค่าเลยหมดเงินไปเป็นล้านแต่ตั้งที่เงินที่สูญไปแล้วเนี่ยแต่ใจยยังไม่ยอมปล่อยยังยึดเอาไว้ก็เลยกลุ้มอกกลุ้มใจมาก บางคนถึงกับฆ่าตัวตายอันนี้เียกว่าเป็นเพราะไม่ยอมปล่อยนะทั้งทั้งที่ทุกเนี่ยมันเล่นงานลุมเร้าถ้าจึงบอกว่าเนี่ยคนเรานีนถานว่ารู้จักเรียนรู้นะจากอ่จิงจบตุกแกบ้างเนี่ย เราก็สามารถจะมีความสุขได้ง่ายนะวพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยนะพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะอ่ะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอ่ะพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมทุกแก่เนี่ยสละอวัยวะเนะีเพื่อรักษาชีวิตนีแต่คนเราเนี่ย บ่อยครั้งเนี่ยก็ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาทรัพย์ไม่ใช่แค่รักษาอวัยวะนะยอมสละชีวิตเพื่อรักษาทรัพย์อันนี้เพราะอะไรนะเพราะความยึดนะว่าทรัพย์เป็นของกูของกูพอเรายึดว่าทรัพย์เนี่ยเป็นของกูเนี่ยไม่ว่าทรัพย์นั่นจะเป็นอะไรก็ตามนี่เราก็ไป ล้วกลายเป็นของมันทันทีนะ้วก็ยอมตายเพื่อมันได้นะบ่อยครั้งในคนเราเนี่ยจะพ้นจากทุกข์ได้อาจจะไม่ใช่แค่อรอดชีวิตนะแต่ว่ารอดปลอดภัยจากความทุกข์เนี่ยก็เพราะการรู้จักปล่อย ถึงเวลาที่เจอทุกข์มากๆนี่เรารักตัวมากกว่ารักทรัพย์เราก็พร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะวางสละทรัพย์นั้นแล้บางทีทรัพย์นั้นเนี่ยมันก็สูญไปซะแล้วแต่ว่าใจไม่ยอมปล่อยยึดเอาไว้จนกระทั่งทำร้ า, ายตัวเอง เพราะทนไม่ได้กับการที่ต้องสูญเสียมันบางคนถูกยึดบ้านนะถูกยึดรถจังนั้นที่เขอย่างสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้เพียงแต่ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแต่ความเสียดายความอาลัยในทรัพย์นั้นมันกัดกินใจมากมันจะไปรวมถึงความสูญเสียหน้าตาก็ได้เพราะว่าทรัพย์นี่มันก็มีความหมาย ไม่ใช่แค่อำนวยความสุดกสบายแต่มันยังบำรุงบำเรอหรือปลนเปลออ่หน้าตาให้ดูดีในสายตาของผู้คนแล้วพอไปยึดสิ่งนั้นเข้าไว้เนี่ยนะทั้งรัพ์แล้วก็ทั้งผลจากซั์เนี่ยมก็เลยทำใจไม่ได้เมื่อต้องสูญไป จกนกระทั่งทำร้ายตัวเองแต่เพียงแค่เรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสลัดมันใจมันก็จะโปร่งใจก็จะเบาใจก็จะพ้นจากทุกข์ได้แล้วก็อาจจะ ก, กอบกู้ชีวิตนะไม่ให้ทําในสิ่งที่เลวร้วายแต่นั่นเป็นพ่อความไปยึดนะว่า ของกูของกูของกูเนี่ยมันก็เลยทำให้ใจิตใจตกต่าย่ำแย่มันมีเรื่องเล่านะชายผู้หนึ่งเนี่ยขับรถไปชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงเลยรถนี่พังยับเยินออกตัวเนี่ยจนออกจากรถไม่ได้ต้องมีคนเนี่ย มาช่วยดึงออกจากรถเพราะดีเนี่ที่เขาไม่บาดเจ็บหรือว่าพิการแต่พอเขาเห็นสภาพรถนี่เขาก็ร้องโวยขึ้มนมาทันทะีเนียโยเบ้นของฉันเบ้นของฉันเพราะว่ารถเบ้นนี่มันยับเยินก็มีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยพ่อหนุ่มอย่าไปสนใจรถของเธอเลย สนใจแข็งเธอดีกว่านะแข็งเธอนี่มันหลุดไปโน่นแล้วกระเด็นไปนั่นแล้วชายคนนั้นพอเห็นแข็งตัวก็ร้องขึ้นมาโอ้ยโลเลสของฉันโลเรสของฉันตั้งที่แข็งนี่หลุดไปแล้วนะแทนที่จะเสีดายแข็งนี่กับเสีดายนาฬิกาเรือนแสนนะที่มันพังยับเยินอันนี้ก็เป็นนิทานนะที่เขา สะท้อนถึงความยึดติดของผู้คนในทรัพย์จนกระทั่งเห็นว่าจนกรทั่งห่วงทรัพย์ยิ่งกวาห่วงตัวเองหรือว่าห่วงอไวัยวะแขนขาแทนที่จะตกใจเสียใจที่แขนหลุดนะกับเสียใจที่นาฬิการาคาแพงนี่มันเกิดเมียนเป็นไป อันนี้เพราะอะไรเพราะความยึดนะเพราะของกูของกูถ้าคนเราเนี่ยเป็นเพราะความยึดนะว่าของกูของกูเนี่ยมันจึงเกิดทุกข์มากมายตามมาทุกทั้งใจทุกทั้งกายแล้วพอที่ว่าของกูแล้วเนี่ยนะมันก็พร้อมที่จะตายได้ เพื่อสิ่งที่ยึดนั้นแม้มันจะเป็นสิ่งที่นอกตัวนหะางนี่มันแม้ทั้ทงที่สําคัญนะเป็นส่วนหนึ่งของจิ้งจกของลูกแกน่นี่มันจะพร้อมปล่อยพร้อมสลัดเลยแต่คนเราเนี่ย ท, ทั้งทั้งที่สมบัตินี่เป็นของนอกตัวนอกกายนี่กัดยึดเอาไว้อันนี้เพราะความสําคัญมันหมายเป็นของกูของกูเนี่ยนะ และที่ชื่อกว่าเป็นของกูเพราะมันมีความสำคัญมากหมายในตัวกูเนี่ยพอมีตัวกูเขา้ามันก็มีของกูขึ้นมาแล้วคนเรานี่มันยึดอะไรต่ออะไรเป็นของกูไปหมดเลยนะมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองที่ซื้อมาได้หรือที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัว แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ใช่ของตนนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้เพียงแค่ชั่วคราวก็ยังยืดเป็นของกูเลยน ะ, ะเช่นเก้าอี้ที่นั่งสาธารณะในห้องสมุดในโรงหนังในวัดเนี่ยถ้าได้นั่งตรงนั้นแล้วนี่ก็จะไปยึดนะว่าของกู ใครมานั่งเก้าอี้ตรงนั้นนี่ขณะที่ตัวเองเนี่ยไปทำธุระกลับมาก็ไม่พอใจนะว่าเนี่ยทำไมเธอมาแย่งที่นั่งของฉันไปบางทีไม่ใช่แค่ที่นั่งนะทางจงกรมเนี่ยเออทางจงกรมนี่ดีนะตรงลานหินโค้ง ฉันก็เอาตรงนี้แหละเป็นทางจงกรมเดินเดินไปสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ไปเข้าห้องน้ำกลับมามีคนมาใช้เดินแทนซะละก็ชนขึ้นมาในใจนะทำไมทไมมาแย่งทางจงกรมของฉันไปเอามันเป็นทางของเาเป็นเป็นทางของเธอแต่เมื่อไหร่ะนะ แต่คนเราก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันพร้อมที่จะยึดในสิ่งต่างๆว่าเป็นของกูของกูแม้จะใช้มันแค่ชั่วคราวแต่ก็กลายเป็นของกูไปจนได้แล้วก็โกรธเมื่อมีใครมาใช้แทนนะหรือว่าทำให้ตัวเองไม่มโอกาสได้ใช้สิ่งนั้น ในทั้งหมดนี่มันก็เกิดจากการที่มีความยึดว่ากูกูกูเนี่ยพอยึดกูแล้วนี่มันก็เกิดความอยากที่จะได้อะไรต่ออะไรมาเป็นของกูมากๆเกิดความรู้สึกหวงแหานในหน้าตาใครมาพูดหรือทําอะไรที่ทําให้มากระทบหน้าตาของฉันอกโกรธ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมาตำหนิติดเตียนหรือว่าต่อว่าด่าทอจึงทุกข์นะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวกูถูกกระแทกด้วยคำพูดเหล่านั้นแั้ที่ตัวกูนี่มันไม่ได้มีอยู่จริงนะของกูก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ใจเรามันอุปโตกโลขึ้นมา มันเป็นมายามันเป็นภาพลวงที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมายังเรียกว่าสำคัญมั่นหมายนะเพราะว่ามันไม่อะไรที่เป็นของกูแม้แต่น้อยเลยเพราะถ้าเป็นของกูยังก็ต้องควบคุมบังคับบัญชามันได้สั่งมันได้กับเงินทองทรัพย์สินเราก็สั่งมันไม่ได้ทั้งร่างกายและจิตใจก็สั่งไม่ได้ นะไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้เมื่อยนะก็สั่งไม่ได้ไม่ให้แก่ยิ่งสั่งไม่ได้ใจก็เหมือนกันนะจะสั่งให้มันสงบจะสั่งให้มันหยุดฟุง้งสั่งให้มันหายโกรธสั่งให้มันหยุดคิดก็สั่งไม่ได้เรายังไม่รู้เลยนะว่าอีกหนึ่งานะทีข้างหน้านี้เราจะคิดอะไรทั้งที่ไม่ตั้งใจจะคิด แต่เดี๋ยวมันก็มีความคิดโผลขึ้นมาใจมันจะคิดสักอย่าง น, น, นั้นไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราแต่เพราะความยึดนในกูของกูนี่แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานนถ้าไม่อยากทุกข์เนี่ยต้องปล่อยต้องวางนะอาจจะ ปล่อยหรือวางไอ้ตัวกูได้ยากนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นของกูเนี่ยต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะโดยพอเวลาทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยก็ให้รู้เถอะนะว่ามันเป็นเพราะความที่่าเป็นของกูเนี่ยเป็นมูลฐานเลยถ้าไม่อยากทุกข์เนี่ยก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักสละหรือสลัดออกไปสละที่ใจนะ เพรของบางอย่างนี่มันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่มันเกิดจากความยึดความติดแม้สิ่งที่แม้สิ่งนั้นจะสูญไปแล้วแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางสิ่งนั้นลงจากใจเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ความทุกข์จางคลายแต่ก็ในยามที่ทุกข์เนี่ยถ้าหากว่าจะ จะปล่อยจะวางบันทีมันก็ยากนะถ้าว่าเราไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าไว้ก่อนเตรียมตัวล่วงหน้าก็หมายถึงว่าการฝึกจิตฝึกจิตให้รู้จักปล่อยรู้จักวางในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตไม่ใช่ในสิ่งที่เราสำคัญมากมายผูกพันกับมันมากอย่างเช่นการปล่อยวางความคิด การจเจริญสติเนี่ยนะมันมันช่วยเราเรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสลัหรือสลัดความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจอาจจะเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆน้อยๆที่มันผุดขึ้นมาความจําเกี่ยวกับเหตุการณ์โน้นเหตุการณ์นี้ที่ไม่สลัดสําคัญอะไรใครพูดอย่างนั้นใครพูดอย่างนี้ หรือเรื่องราวที่ได้ยินได้อ่านจากข่าวคราวพูดขึ้นมาอารู้ทันวางรู้ทันวางต่อไปเนี่ยนะมันจะมีความคิดที่สาคัญสาคัญเช่นไอเดียต่างๆที่พุ่งออกมาความคิดเกี่ยวงานเกี่ยวการที่เรายึดว่าเป็นของเราของเราเพราะมันเยี่ยมมากเพราะมันดีมากอก็รู้ทันแล้วก็วาง จนทั้งเห็นว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหเห็นความคิดเมื่อไหร่มันก็รู้แล้วนะว่าความคิดนั้นเนี่ยมันก็สักแต่ว่าความคิดแต่ไม่ใช่ของแต่ไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสติมันก็จะเห็นเลยเนี่ยความคิดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์ก็เหมือนกันนะความดีใจความเสียใจความหงุดหงิดความเครีย แต่ก่อนก็ไปเผอยือว่าเป็นเราเป็นของเราเลยเกิดความสำคัญมากมายว่ากูเศร้ากูเครียดสุดท้ายากูทุกข์นะแต่พอเรามีสติเห็นนะว่าอารมณ์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการปล่อยการวางก็จะง่ายแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมานะว่า มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราหรือตัวเราเลยโดยเาพาเวลาเราเดินเดินจงกรมเนี่ยหรือสร้างจังหวะถ้าเราทำอย่างมีสตินะมันก็จะเห็นเลยนะว่าไอ้ที่เดินนี่ไม่ใช่เราเดินนะมันเป็นรูปมันเป็นกายที่เดินไอ้ที่ยกมือนี่ไม่ใช่เรายกนะมันเป็นรูปหรือกายที่ยกเช่นเดียวกับที่คิดมันไม่ใช่เราคิดนะมันเป็นนามหรือจิตที่คิด มันจะปล่อยมันจะวางได้ง่ายริ่งถ้ารู้มากๆเนี่ยถ้ารู้ตัวมากๆเนี่ยไอ้ตัวกูเนี่ยมันก็จะหาที่ตั้งไม่ได้รู้ในที่นี้คือรู้สึกตัวนะเริ่มจากรู้ทันนะความคิดละอารมณ์แล้วพาจิตมาสู่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวมากเท่าไหร่เนี่ย ไอ้ตัวกูเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้หรือผู้ใหญ่ก็คือว่าเมื่อรู้นะมันก็ไม่มีตัวกูรู้ทีไรเนี่ยตัวกูก็ดับไปหรือผู้ใหญ่ก็คือมันก็หยุดปรุงแต่งตัวกูขึ้นมานี่เป็นวิธีการสลัดวิธีการวางวิธีการสลายตัวกูนะซึ่งมันก็ทำให้การยึดการปล่อย การปล่อยการวางสิ่งที่เป็นของกูเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นไม่ทาให้เรามีความสามารถในการปล่อยในการวางมากขึ้นแล้วก็ยึดน้อยลงเดยเพราะในยามที่เป็นทุกข์เพราะการยึดนะไม่ไม่ไม่ใช่แค่ยึดว่าเป็นกูแต่ยึดว่าเป็นของกูด้วย พอปล่อยพอวางเมื่อไหร่นะวความทุกข์ก็หายไปเพราะตัวกูเนี่ยมันมันตั้งอยู่ไม่ได้รู้เมื่อไหร่ตัวกูก็หายไปเมื่อตัวกูหายไปความทุกข์มันก็ไม่มีที่ตั้งหรือว่าเหตุแห่งทุกข์มันก็หมดไปงนันการรู้จักระรู้จักปล่อยรู้จักวางเนี่ย โดยเพราะลึกไปถึงการปล่อยวางตัวกูเนะี่ยหรือความยึดมั่นในตัวกูเนะี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะที่ช่วยทำให้จิตใจเราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้หรือในขณะที่ยังยังปล่อยยังวางได้ไม่ถึงที่สุดนะแต่ก็รู้จักปล่อยรู้จักวางโดยเพราะในยามที่เราทุกข์ แลถ้าปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่เฉพาะปล่อยวางของกูเท่านั้นนะแต่พอปล่อยวางตัวกูเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์นะแต่มันก็จะไม่มีพูดทุกข์อีกต่อไปมันมีแต่ทุกข์แต่ไม่มีพูดทุกข์ภาวะเช่นนะีเป็นภาวะที่เป็นอิสระแต่ว่าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ แล้วก็เลยรู้ที่จะปล่อยวางทรัพย์สินต่างๆแต่ที่่ำมันเป็นของกูน ะ, ะก็ถือว่าเรามาดูแลมันหรือหยิบยืนมาหยิบยืนมันชั่วคราวทำใจอยู่เสมอว่าไม่ช้าไม่นามก็ไปในแคะที่มันอยู่กับเราก็ยึดหรื อ, อยึดมั่นกับมันไม่ได้ก็ใช้มันไปตามหน้าที่ ใช้มันไปตามเหตุตามปัจจัยอ่าชาวินี้ก็พื่เท่านี้นะ